ประเภทของเงินแบ่งออกเป็น3ชนิด1ธนบัตร2เหรียญกศาสอบสเงินอิเล็กทรอนิกส์ธนบัตรพิมพ์มาจากกระดาษคุณภาพสูงจัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลาง